สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากุวาสิตรั้งที่หกสิบห้าครับวันนี้เป็นบทสรุปของพระธรรมสุภาสิตในบทที่สิบเพราะจา้านะของพระเจ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความชอบธรรมและคนชอบธรรมครับความชอบธรรมและคนชอบธรรมของคนชอบธรรมนะครับจะนำให้ชีวิตของเขานั้นได้พบกับสิ่งที่ดีๆล้ายประกาเลยทีเดียว ในวันนี้จะขอสรุปออกมาเป็นสิบห้าประการครับพี่น้องครับในบทที่สิบนั้นเป็นบทที่ค่อนข้างสําคัญและกระจัดกระจายความกระจัดกระจายนั้นทําให้เราเห็นถึงครอบคลุมครับเห็นถึงสิ่งที่ครอบคลุมและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนชอบธรรมนะครับและขอบคุณพระเจ้าครับที่การกระจัดกระจายนี้ทําให้เราได้เห็นบางสิ่งบางอย่างครับ ก็คือความละเอียดอ่อนของภชนะของพระเจ้าแต่ความละเอียดอ่อนของภชนะของพระเจ้าที่แทรกซึมเข้าไปในบทบาทต่างๆของชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันพี่น้องครับเราจะาดูกันนะครับว่าคนที่ชอบทํานั้นจะได้รับพรมากมายหลายอย่างทั้งกับตัวเองกับชุมชนกับครอบครัวของตนนะครับประการแรกครับคนชอบทํานั้นเขาจะมีชีวิตที่ยืนยาว การมีชีวิตที่ยืนยาวนั้นมีหลายปัจจัยเลยครับยกอย่างเช่นในพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงคนที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวก็คือคนที่รักษาธรรมัญญิของพระเจ้าคนที่มีความชอบธรรมคนที่มีความกตัญญูคนที่รักษาตัวให้อยู่ในพระมรนคาของพระเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นประการแรกครับคนชอบธรรมเขาจะมีชีวิตยืนยาวประการที่สองครับคนชอบธรรมนั้นจะมีความ ชุ่นชมยินดีจะมีจอยครับเพราะเนื่องจากว่าคนชอบทำนั้นเขามองโลกในแงด่ดีเขาตัดสินคนในแง่ที่ดีเขาสามารถที่จะมองโลกบวกและเห็นสิ่งดีในความไม่ดีทั้งหลายในขณะเดียวกันครับเมื่อเขาพบกับสิ่งที่ไม่ดีจริงๆเขาจะรู้จักปรับตัวเพราะฉะนั้นชีวิตของคนชอบทำเขาจะมีความชื่นชมยินดีประการที่สามครับ พระกัมปีรับรองว่าทางของคนชอบธรรมนั้นจะปลอดภัยชีวิตของเขานั้นจะปลอดภัยจากสิ่งรบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งรบกวนไฟวิญญาณครับคนชอบธรรมเขาจะปราศจากเรื่องของแม้ว่าจะมีการติดชิ้นนินทาก็ตามครับแต่เขาจะปราศจากการถูกทําร้ายจากคําติดชิ้นนินทาคาไม่ดีต่างๆที่เข้ามาหาตัวเขาเองประการที่สี่ครับคนชอบธรรมนั้นจะมีสวัสดิภาพ สวัสดิภาพนั้นหมายถึงการที่มีคุณภาพชีวิตนะครับที่ปลอดภัยคาว่าปลอดภัยนี้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุครับแต่ว่าสวัสดิภาพนั่นก็คือในทุกๆด้านของชีวิตของเขานั้นเขาจะปลอดจากภัยพิบัติต่างๆปลอดปลอดจากสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายต่างๆรวมทั้งความไม่ดีสิ่งชั่วร้ายฝ่ายวิญญาณที่จะมารบกวนเขาด้วยประการที่ห้าครับชีวิตของคนชอบธรรมนั้นจะมีความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน คำว่ามั่งคั่งหมายความว่าเป็นความมั่งคั่งทางด้านทรัพสมบัติในโลกนี้ประกอบกับความมั่งคั่งในเรื่องของสังคมก็เขาจะมีเพื่อนเยอะนะครับเขาจะได้รับการนับถือเขาจะประสบความสําเร็จอันนี้คือความมั่งคั่งที่ยั่งยืนคําว่ายั่งยืนนั้นมีความหมายว่าจะเขาจะอยู่ได้ตลอดไปครับประการที่หกครับเขาจะได้รับการช่วยกู้จากความตายการช่วยกู้จากความตายนั้น ก็มีความหมายก็คือเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าให้พ้นอันตรายทั้งหลายนะครับมีความหมายคล้ายๆกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพครับแต่ในพระเจ้านัของพระเจ้านั้นได้พูดชัดเจนครับเขาจะได้รับการช่วยกู้จากความตายเขาจะไม่ตายก่อนเวลาหรือวาระที่กำหนดไว้พี่น้องครับต่อไปครับเราจะมาดูข้อเจ็ดครับชีวิตของเขานั้นจะเป็นผู้ที่สร้างสันติ การสร้างสันติทําให้เกิดความสุขครับนะถ้าเรากลับไปดูในข้อต้นๆ น, นะครับก็จะพบว่าเรื่องของการสร้างสันตินั้นเป็นเรื่องที่เราจําเป็นมากในสังคมของเราครับเพราะสังคมของเรานั้นทุกวันนี้มีปัญหามากมายเพราะเนื่องจากอะไรครับมีความเกลียดชังกันมีความเอารัดเอาเปรียบกันไม่ยอมรับกันและมีความขัดแย้งกันสูงแต่คนชอบทมนั้นชีวิตของเขานั้นจะสร้างสันติ ประการต่อไปครับประการที่เจ็ดประการที่แปดครับเขาจะเป็นบ่อน้ําแห่งชีวิตคําว่าบ่อน้ําแห่งชีวิตนั้นมีความหมายว่าเขาจะเป็นคนที่ดูแลเลี้ยงดูครับนะครับชีวิตของเขานั้นทําให้คนอื่นชื่นใจเหมือนกับคนที่อยู่ในทะเลทรายร้อนแรง ม, มาในถิน่นทุ่กันดา n เมืเ่อก็พบกับโอเอซิสนะครับเขาพบกับบ่อน้ําแห่งชีวิตคนเหล่านี้ก็ได้รับการต่อชีวิตครับได้รับความชื่นชู่ใจมีความชื่นอกชื่นใจ มีความชื่นบานที่น้ําได้หล่อเลี้ยงทั้งอุดของเขาทั้งตัวของเขาทั้งคนในครอบครัวของเขาเห็นไหมครับชีวิตของคนชอบทำนั้นจะเป็นน้ําน้ำผู้หรือว่าเป็นน้ําแห่งชีวิตประการที่เก้าครับเขาจะเป็นคนที่มีสติปัญญาและเต็มไปด้วยความรู้การมีสติปัญญาและเต็มไปด้วยความรู้นั้นทําให้ชีวิตของเขานั้นอยู่รอดนะครับและก็ประสบความสําเร็จ เขาจะเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงปลอดภัยและด้วยความมั่นใจและทําให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันนี้เป็นประการที่สุดครับพี่น้องจะเห็นว่ามันเกิดการต่อเนื่องครับการต่อเนื่องใพัฒนาการของสิ่งที่เป็นพระโพนของคนชอบธรรมนะครับคนชอบธรรมนั้นเขาจะมีความเข้มแข็งมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่เพียงแต่ชีวิตของตัวเองครับชีวิตของคนในครอบครัวชีวิตของคนที่อยู่ข้างๆประการที่สิบเอ็ดครับเขาจะเป็นผู้อย่างรู้อนาคตคําว่าอย่างรู้อนาคตนั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า insight ไม่ใช่อินไซน์ inside, นะครับอินไซน์อินไซน์ก็คือความอย่างรู้ความอย่างรู้ในเ อ, อพยัญชนะลายที่อยู่ข้างหน้าความอย่างรู้ในเรื่องที่กําลังจะเป็นไป นะครับไม่ใช่เป็นผู้พยากรณ์ น, นะครับหรือไม่ใช่เป็นหมอดูแต่เป็นผู้ที่อย่างรู้อนาคตก็คือคาดการคาดเดาอนาคตได้อย่างถูกต้องข้อที่สิบสองครับคนที่มีความชอบธรรมหรือคนชอบธรรมนั้นเขามีความหวังและเขาจะสมหวังความหวังเขานั้นมันเกิดจากความเชื่อมั่นศรัทธามันเกิดจากการที่เขาอุตสาหะและเขารู้ว่าเขาจะสมหวังอย่างแน่นอน อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนชอบธรรมนะครับความหวังของเขาชัดเจนเขามุ่งไปถึวสู่ความหวังและเขาจะสมหวังอย่างแน่นอนในข้อสิบสามครับพระเจ้าจะเป็นแบกให้เขาครับพระเจ้าจะเป็นที่กำบังเข้มแข็งของเขาพี่น้องครับคนชอบธรรมนะครับชีวิตของเขานั้นจะได้รับการสถานาและการรับรองจากพระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญครับเพราะว่าความชอบธรรมเหล่านี้นะครับ ของคนชอบทำเขาจะได้รับการยืนยันนะครับรับเครดิตจากพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นอินชัวรันส์ให้กับเขานะครับประการที่สิบสี่ครับคนชอบทำนั้นเขาจะมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นได้การมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นนะครับเป็นวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าให้กับเราการที่เราจะมีชีวิตที่อยู่และเป็นประโยชน์กับคนอื่นเสริมสร้างคนอื่นหนุนจิตชูใจคนอื่นสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ มีน้ำใจแบ่งปันให้กับคนอื่นเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของคนอื่นเนี่ยครับคือพระพรของคนชอบธรรมประการสุดท้ายครับคำพูดของเขาการกระทำของเขาจะนํามาซึ่งพระพรและการหนุนใจให้กับชุมชนให้กับคนที่อยู่รอบข้างพี่นะครับเราเห็นนะครับคนชอบธรรมนั้นชีวิตของเขานั้นจะเป็นพรครับชีวิตของเขานั้นเขาจะ ได้สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้และเขาจะเป็นท่อนําพระพรไปถึงคนอื่นนะครับพอเป็นท่อนานๆเข้าครับเป็นทานครับนะครับทอธงฉอาแล้วก็รอเรือครับเป็นทานแห่งพระพรลังเลไปสู่คนอื่นเยอะแยะมากมายพี่น้องครับ15ข้อของพระพรที่มาถึงคนชอบธรรมแน่นอนครับใครที่อยู่ใกล้กับคนชอบธรรม เขาจะมีความรู้สึกที่เป็นพระพรเขาจะมีความรู้สึกอบอุ่นเขาจะมีความรสุกเป็นเพื่อนนะครับเขาจะมีความรู้สึกไว้วางใจนี่คือชีวิตของคนที่ชอบธรรมครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีชีวิตแห่งความชอบธรรมอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสกลับไปอ่านในสุปศิษิ์บทที่สิบเพื่อที่เราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้นอาเมน